สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียมบวานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตรเรื่องคุณค่าของคนชอบธรรมครั้งที่สองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสองข้อที่เก้าถึงข้อสิบสองมีแค่สี่ข้อเท่านั้นนะครับคุณค่าของคนชอบธรรมครั้งที่สองสุภาษิตบทที่สิบสองข้อเก้าถึงข้อสิบสอง โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าผู้น้อยที่ทำมาหากินเองก็ดีกว่าคนที่ทำทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหารคนชอบทำย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดุร้ายบุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสนึก ขอคอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปรักหักพังสิ้นแต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่เพียงครับเมื่อเรากลับมาดูชีวิตของคนที่ชอบธรรมนะครับเราพบว่าคุณค่าของเขานั้นมีมากมายเหลือเกินความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตของคนเหล่านั้นโดยพ่ออย่างยิ่งคริสเตียนหรือบรรดาผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นความสำเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นความสําเร็จตามน้มัตไทยและมาตรฐานของพระเจ้าถึงจะนับว่าเป็นความสําเร็จที่แท้จริงดังนั้นคุณค่าของคนชอบธรรมเขาจะไม่ผิดจริยธรรมครับคุณค่าของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะคาดคะเนคาดหวังได้เลยว่าเขาเป็นคนที่รักความศักดิ์สิ้นรักความจริงรักจริยธรรมเขาจะมีนิสัยที่ดีและมันสร้าง หรือสะสมสิ่งที่ดีๆไว้ครับทำให้ชีวิตของเขานั้นออกมาสวยงามทำให้งานของเขานั้นมีผลงานที่ดีสวยงามมากพี่น้องครับหากชีวิตของคนเรานั้นไม่สาเร็จตามมาตรฐานของพระเจา้าก็ยังถือว่าเรายังไม่สาเร็จแท้จริงครับเรายังไม่ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงความสาเร็จที่แท้จริงนั้นก็จะเพิ่มคุณค่า ให้กับคนชอบทำพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าคนที่ชอบทำนั้นเขาทำอะไรก็สาเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าช่วยเขาพระเจ้าเป็นแบกให้กับเขาพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเขาเสมอในขณะที่ความสาเร็จจอมปลอมของคนอธรรมนั้นก็จะขาดจริยธรรมจะไร้ซึ่งศีลธรรมขาดความซื่อสัตย์ครับชอบเอารัดเอาเปรียบชอบทาร้ายกันทาลายกั น, กนด้วยความโหดเทียม พฤติกรรมพวกนี้แหละครับเราจะค่อยๆสังเกตเห็นเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าเร็วซามครับและการกระทําทแบบนี้มันกลับเพิ่มความชั่วในตัวเองให้มากขึ้นมันกลับเพิ่มความเวลวร้ายให้มากขึ้นและมันทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นก็เลวร้วายลง <c oughs> พี่น้องครับเราต้องการความสําเร็จแบบพระเจ้าครับเป็นความสําเร็จที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในจริยธรรม อยู่ในความสวยงามและความสำเร็จของพระเจ้านั้นที่มาจากพระเจ้าตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราและเป็นคนที่ประทานให้ครับเราต้งหลายตอบสนองด้วยการเชื่อฟังครับการเชื่อฟังเท่านั้นที่จะทำให้นามัทไทยของพระเจ้าสำเร็จการเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ทำหากินนะครับมีสัมมาชีพหรือสัมมาชีวะก็ดีกว่าการทาทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ผู้น้อยที่ทามาหากินเองแปลคภาษาอังกฤษว่า it is better to be an ordinary person working for a living than to play the part of someone great but go hungry พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนที่ทามาหากินเองพอกินพอใช้ดีกว่าพวกที่แส้ทาทีว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยิ่งใหญ่ แต่หาพอที่จะกินไม่พี่น้องครับการทำทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีจะกินเป็นผู้สูงศักดิ์สูงส่งแต่ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับสมัยนี้ครับรถชนิยนสูงแต่รายได้ต่ำการดำเนินชีวิตนั้นใช้มากกว่ารับครับ รายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ครับในทางต้นข้ามหากเราจะดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณพอเพียงเราก็จะมีความสะดวกสบายตามอัตภาพครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าใช้จ่ายอะไรเกินตัวจะผ่อนจะอะไรนะครับต้องระวังให้ดีครับพยายามจัดสันการผ่อนการติดหนี้นะครับ เพือพ่อนังพีบอกว่าอย่าติดนี่อะไรใครยกเว้นแต่นี่แห่งความรักข้อต่อไปนะครับคนที่รักพระเจ้าคนชอบธรรมนั้นก็ย่อมเห็นแก่ชีวิตครับโดยพ่อยิ่งชีวิตสัตว์จะต้องมีความรักในชีวิตไม่ทําลายชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นการละเล่นเป็นความเพลิดเพลินอันนี้ไม่ใช่ครับ ความกรุณาของบุคคลที่ชอบทำก็จะขยายออกไปเราก็จะดูออกได้โดยวิธีเข้าปฏิบัติต่อคนอื่นๆโดยพ่อยิ่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสมัยโบราณนั้นคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นผู้นำผู้นำครอบครัวเขาก็จะมีคนงานนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่เขาจะมีคนงานหรือมีสัตว์เลี้ยงของเขา ให้ดูวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนงานและสัตว์เลี้ยงของเขาครับวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้ใต้บงังคับบัญชาพี่น้องครับดูวิธีการนั้นเราก็จะรู้ว่านิสัยของคนคนนั้นเป็นอย่างไงเพราะว่าสิ่งนั้นนั้นจะสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนคนนั้นบอกคุณลักษณะของเขาได้ว่าเขาเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชอบทำหรือเป็นคนอธรรมเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ความขยันขันแข็งนั้นจ ะ, จะก่อเกิดผลอย่างคุ้มค่าครับการทางานหนะักก็จะประสบความสาเร็จในทางกลับกันครับคนที่โหดร้ายก็จะมีความดุร้ายเขาจะไม่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ไม่มีจิตใจเมตตาต่อคนอื่นความชั่วร้ายหรือคนชั่วร้ายนะครับก็คือเขาต้องการหาผลประโยชน์ใจตัวเองครับ ต้องการได้ประโยชน์และหาประโยชน์จากงานนะครับขนของคนชั่วอะไรอื่นๆเช่นการยักยอกทรัพย์การพ น, นันการคดโกงแต่คนชอบทานั้นจะพึงพอใจที่จะได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมจากการทำงานของเขาอย่างสัตย์ซื่อครับตรงนี้เห็นชัดเจนครับว่าการที่คนเรานั้นต้องทา ม, มาหากินต้องขยันขันแข็งนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ เราจะได้มาซึ่งเงินทองที่ที่สะอาดเงินทองที่ไม่มีหมนทินนะครับเงินทองที่ได้รับการจากการอุตสาหะวิยะของเราเพราะนี่จึงอยากจะขอหนุนใจพี่น้องนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะได้เงินไม่มากนะครับแต่เรามีความภาคภูมิใจเพราะว่าค่าจ้างจากการทํางานอย่างสักตย์ซื่อของพวกเรานะครับก็ จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเช่นเดียวกันและพระเจ้าจะช่วยเราเสมอครับถ้าเราพึ่งพาพระองค์บุคคลที่ไถนาของตนพี่น้องครับตรงนี้บอกว่าบุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอย่างอุดมหมายความว่าคนที่เอาใจใส่เอาจริงเอาจังในการประกอบอาชีพนะครับเอายิงเอาจังในการทำหน้าที่การงานของตนให้เรียบร้อยคนๆนั้นจะประสบความสาเร็จและชีวิตของเขานั้นจะไม่ขาดแคลนของดีใดๆเลยครับพี่น้อง ชีวิตของเขาเน้นจะไม่ขาดแคลนของดีใดๆเลยแต่ในทางกลับกันคนชั่วร้ายมักติดกับดักคำพูดของตนเองติดบวงด้วยการละเมิดแห่งริมผีป่าของตนดังนั้นครับคุณค่าของคนชอบทำนั้นมีมากมายครับพี่น้องครับเขาอยู่ได้ด้วยฝีมือของเขาเขาอยู่ได้ด้วยความสามารถของตนเองเขาไม่ได้อยู่ได้ด้วยความโผโปดวัตนธรการหลอกลวง นะครับเขาอยู่ได้ด้วยฝีมือของเขาด้วยความสามารถในวิชาชีพของเขาและเขาแสดงความกรุณาต่อคนอื่นชีวิตของเขานั้นจะอุดมด้วยสิ่งที่ดีเสมอครับรักฐานชีวิตของเขานั้นก็แข็งแกร่งไม่มีใครมาทำอะไรได้ในที่สุดชีวิตของเขาเนี่าจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่หวั่นไหวครับเหมือนบ้านที่ปลูกไว้บนสิลาเมื่อพายุพัดและน้ามาบ้านหลังนั้นก็จะตั้งอยู่อย่างมั่นคงตลอดไปครับพี่น้อง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเลือกได้เราเห็นคุณค่าของคนชอบทำมีเยอะแยะมากมายครับแล้ววิธีการที่จะเป็นคนที่ชอบทำก็อยู่ที่นี่แล้วเราเลือกได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องอาเมน